ผัวเฮ้าทุกคนเนะอหยุดในวัดทั้ทงฝ่ายในครัวทั้งฝ่ายคู่บากันบ่มีหยังกันบ่มีทุระไอหยังกนั่นะต่างอกต่างใจพาา่าวัดาลงพอคือชิดเไปบ้านตาดอีกมือเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงหลวงตาอยู่พ่นคอว่าบ่าให้เฮ้าห่วงดอกแต่เฮ้าในฐานะลูกหลานมันก็อดบ่ได ขันยูกไกลเมื่อกาแนวนึงขันปายูกไกล่กับมีอยัางเกิดขึ้นในพีนองก็จะต้องได้ดูได้แล่ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันจัดการเรื่องอํานวยความสะดวกเรื่องตอนรับพับสู่แขกคนประสานเกี่ยวกับหมอจะรักษาจังไหน่ขันเท้ายูกไก่กับไปถิ่มให้ผู้อื่นซะ หลายค้อเนืดอกผู้นั้นก็ว่าหลายค้อเนืดอกผู้นั้นก็หลายค้อเนืดอกต่างค้กับต่างถือมันหลายค ok. า้อเนืดอกแจ็กแมนปูดใดเป็นผู้หลายบันอันผู้อยู่ทางไนกิดเหตุอย่างไรล่ะกันบบมี่ผู้มากันนักพอเหตุใดเพราะบบมี่ผู้ซอยแจ็คติซอยคิดซอยงานซอยเรื่องราวจังใดที่มันเกิดขึ้นเพราะพอ ของเฮาหูจักทั่วโลกทั่วแผ่นดินนี่แหละพี่น้องบางคนมีลูกซีหาหกเจ็ดคนผู้พี่้ายใหญ่กันละผู้น้องลาเ น, นี่ยละ่ะมันโยนในกล่องมอรดอกแหมันเบิงผู้ที่สองเอาน้องลานนี่นะ่ะอู๋มันเบิง้งเอาไปมาผู้น้องลาที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยักทีเหตุจังหด พ่อแม่กับป่วยจะติไปโล่งพยาบาลทั้งทิ่เบิ้งขอบครั้วทั้งทิ่เบิ้งคิ จ, จัด ก, การของเจ้าของก็มี่พวกพีพีกับว่าเฮ้าก็มีคิด จ, จัด ก, การไปเบิ้งบ่ใดแล้วมีขอบมีครั้วเฮ็ดอย่งไรจะไปใดนี้จากบ้านใดเอาไปมากเล่ทิมให้น่องน่องกับ จ, จ๊คทีเฮ็ดอย่างไรขันสินสนนสีนี้ก็แจกักอย่างไรทีิจะเฮ็ดกันไหนเอาไปมาก็เลยขาดโตก๊กบกพ่องบาดบางที่พ่อแม่ ขี่เงียวเสพาเหม็นขคงอยู่กับเช็ดยังไงทั้งโลกทั้งเต่าทั้งคิจการตัวเองก็บเบิงพอเบงแมปบดทัวบัตเนี่ยเพราสุดก็เลยขาตกบกพ่องพ่อแมก็ยักยีว่าจะไงก็เป็นกรรมของพอของแม่ขึ้นกัน่ะแต่ก่อนกับบวชคยดูแลพอแมขอ่ของเจ้าของพอมาถึงเจ้าของก็เลยบุญอันนิสงอันนันบอมี ใส่กรรมที่ตัวเองบม่เคยเห็ุกับพอกับแม่มา ก, ก่อน่ะเอยกรรมะโยนิกรรมะพันถุกกรรมติดต่อนอเนืองเหตุอย่างในบ้านขาโต๊กบกพ้องอนี่แหละอันนี้ก็คือกันมาเปียบเทียบกับพวกเฮาขึ้นกันผู้นั้นก็เป็นสมพานธ์ผู้นี้ก็เป็นเจ้าวัดทีไปกับบ่ไดา้พอหยาดยโอมมากิตนิมนต์หลุกชิดหลุกหา มาเกี่ยวของมาพักโยวัดหนีบ่อได้พักโยวัดพ่อมีกิตรุระจะแม่เรื่องยัง้งอยู่ในวัดไปบ่ได้ไปดูแลบ่ได้เอาเถอะมีผู้หลายคนนในร็อกยูหันกระคือกันกับพอแม่มีลูกหลายคนใ น, นยนต์ให้น้องผู้อยู่ในหันผู้พีไส้ใหญ่ๆกันนั้นบ่เป็ยัง้งหรอกพวกยูหันมิจะร็อกเพอเผยยังกระแนกะกระแนะอีกต่างหากคนลงไป สิ่งเรานี่ต่างคนต่างถิ่มไผ่มันก็ขาดตกบกพ่องพราเหตุใดบ่ซอยเข้อไปบเบนงพ่อเหตุใดพ่อเจ้าของติดถุละพบป่านวันนาที่ไม่ใช่ขา่าข่าไม่ใช่นาที่อยู่าไปข่าบ่เมนเจ้าของมอตรดกข่าบ่เมนได้รับไอ้อย่างกันอยู่ดีมีสุขก็ได้รับธรรมะจากเพินขันย่ำขับขันมา เทากับทิมโน่นให้ผู้อื่นไปแสดงว่าขาดความรับผิด ช, ชอบหลวงพ่อวานะถ้าให้หลวงพ่อบ่าออกไปนะพ่อว่าตังแต่พ่อแม่ขึ้นกันมีลูกหา6กเย็ดคนจะไปให้ทิมแต่ให้น้องน้อยน้องลาผู้เดียวดูแลเขาก็มีกิจธุระมีขอบมีคั่วขึ้นกันมีกิจการขึ้นกันกับเพ้ากับพีใหญ่ป่านนี้กัยย น, กนที่ว่ามรดก กระแมนอยู่มอหดกช่วงนหนึ่งแต่ว่าพ่อแม่หายมอหดกตั้งแต่หัวจดเท่าเนี่เด้ได้มาจากไผมอหดกก่อนเนี่คือเข้าบริมาจากพ่อจากแม่ขันว่าเข้าบริมาจากพ่อจากแม่เข้าก็ค้นจะเข้าไปแสดงความกระตันยูกระตะเวที่ตาในเมื่อข้าวจาเป็นข้าวขับขันข้าวที่จะเป็นจะต้องได้ใช่พลัง ชี้น่องหันหน้าเขาฮ้ากันอันนี้เอที่กันย่ามเข้าเขาไปศึกษาธรรมะจากเพิลนเข้าก็ได้ธรรมะทำคาสอนเพลนชี้เนี่ยชี้น้าธรรมะให้แกเข้าเข้าได้ธรรมะจากพ่อแม่คู่บาอาจารย์บาได้เข้าออกมาแล้วเข้าจะไปโย่นให้ผู้อื่นมั่นแมนหมดกระชวนเนึ่งยางหน่อยเข้าเขาเขาไปคันบอกเข้าไปก็เอา ขาดเหลือขาดตกอย่างใ อ, อปัจจัยสีมิหยังบอกมีเนี่ยจะให้ซอยบอกเออเอากองก่อนทุนอยู่นี้หนะ่าแตมีมีความจําเป็นเอาใส่ก่อนนี่หนะ่ามีความจาเป็นใส่อันนี้หนะ่าแล้วมีหยังบอกมาเนะ่าการทว่าเขามากกับมันหลายโพดเอินมากติดต่อกั้นพีนองทุกคนให้ความสาคัญ จังสันมันก็อบอุ่นเลยเพราะเหตุใดเพราะทุกคนใส่ใจประสานสามัคคีกันอัเ น, นี้ยคันบอประสานสามัคคีแล้วอมาก็ยังพูดทำให้ผู้ที่นอกนองเขาอยู่ทางใน น, นัก อ, อกนักใจอีกตั้งหากไงจังสันก็มีคือกันพี่น้องของเฮามีปลุกสีหาขนพอมาหอด กูพอได้มอดรดกสูู้อได้มดรดกจากพอ่อจากแม่เพื่อหักสู้เจ้าหลายกูสู้เป็นผู้ดูแรกพ่อแม่ก็แล้วกันกูมันยากกิจธุระกูมันหลายกูมันยากให้สู้นัน่นแหละบังดูแลไอทั้งที่เอากูพอได้มาดอกกูบ่ได้ดูแลหรอกแต่ว่ากูมีเงินก่อนหนึ่งยุนีนะเอา้า กูบริมากกับเตียโก ก, กูเอาเงินไวให้สูขันว่ามีความจําเป็นกับจ้างคนมากมาซักเสือพายให้พ่อให้แม่นอ้ออาหารการบริโภคอยู่นี้เนี่ยเงินก้อนนี้คำมันเม็ดมีความจําเป็นกับบอกหรือลงขันกันไหวก็ได้พี่น้องหาหกเจ็ดคนเดืลงพุดแล้วเธอใดเดือนละเธอใดเดือนละสี 4, 5, ่หาพันเดือนละสองสามพันเดือนละหมื 10, ่น ดูแลแม่ดูแลพอ่อเบิงนะ้งหน้าแต่ประการใส่ใจกับเบิง้งให้มีบัญชงบัญชีไดอใส่เอีย ง, ยงนะอย่าให้ขาดตกบกพ่องพ่อพวกเข้าเป็นลูกของพ่อของแม่น้ากันทุกคนขั้นเป็นยังสั่นมันก็อบอุ่นพี่นองอยู่น้กน า, น า, า, ากันฮันนาเขาหากันเพราะเป็นนาทีของทุกคนแต่โดยมากที่เห็นเห็นไม่ ในชนธบนี่ต่างคนต่างอยู่เด็ให้นองพี่นองดูแลโอ้หลวงพ่อก็เคยเจอกับหลวงพ่อขึ้นกันเนี่ยทำไมจะมาเจอกับหลวงพอ่อหลวงพ่อกันนั่นๆั่หลวงพ่อก็เป็นพระเมืมอนหมดล ะ, ะดึงนิ้นวัดพ่อว่ดสบายก็ไปยุไปกับที่ที่ไปเบิง้งเรื่องอาหารการบริโภคหลวงพ่อวัให้ขาดตกบกพร่องซอยเบิง้งตบห น, นอกบานหน้า แต่ตอนนี้กับพ่อไปเบิงๆน่ะพอชอยเจ้าของบ่อใดได้ป่ะ น, นี้อายุเก้าสิบขปีก็ให้พี่ไส้ไปพี่ไส้ก็อายุเจ็ดสิบขปีบ้านพี่สะใภ้ก็เจ็ดสิบขปีขึ้นกันจะให้อุ้มพ่อนี่ยจะอุ้มใดจังใดบ้า น, นมันก็ต้องขาดตกบกพ่องพ่อไปเห็นโ อ, บอ้บ่อใดเลยลุงพ่อก็เอินพี่น้องมาบ้า น, นหาหกคนเอิญมาเอาเอาจังใดวะจะย้อนให้พี่ไส้ผู้เดียวบ่อใดได้ได ให้ปีสะพัยเพไาะใด้นี่ให้หลานเขามีขอบมีคั้วคือกันกับพวกเฮ้าเด้หรือพอเนี่ยบรมนของไผ่ไผได้่พอบรมนของเจ้าของว่าฟังมนุอย์คันว่าพอเป็นของของเฮ้าทุกคนเฮ้าต้องจอยกันคิดเนีเอาจังใดหลวงพ่อวันเนี่ยหลูกหลานของเฮ้าก็มีหลายคนดูจะไปทําไปทํางาน ทั้งกรุงเทพกรุงไทก็มีผู้ที่มีความรู้ก็พอมีความรู้อยู่เอาพวกเข้าลงขนันจ้างมันก็แล้วกันจ้างลูกจ้างล้านนี่แหละแต่ก็ต้องมีผู้เบิง้งด้ต้องมีวันทีลงวันทีพร้อมผู้ใดมากบอม่าบอมบอเมนอนผูมา ก, ก็อยู่ในบ้านเดียวกันป่ิดเอาเงินหลดบอดได้เปนไผ่เป็นผู้เบิง้งเอาเหมาะไปย่อมพีเป็นผู้เบิ้งก็แล้วกันเอาล้านมาจากสามคนตั้งเงินเดือนให้ เรื่องการยู่การกินเนี่กินนี่ น, นี่แหละเอาเขานี่หอาหารมาช่อยๆกันเบิ่งเบิ่งปูเบิ่งตาน่ะเอาผูไส้ผัวนึ่งเอาปูยิ่ยงสองปลุกหลุกล้านเนี่ยน่ะเอาเงินเดือนให้มันเห็นด้วยบ่ผลทศเห็นด้วยกันเออเอาจ่างนี่แหลอะอันนี้มันต้องเป็นยังสันผลทศบอกเขาไปเบิ่งมาเนี่เออสะอาดสะอานบาด เด็กหน่อยก็ไปเบิ้งทําความสะอาดเบิงนะ้งเบิ้งเลยออดีแฮะมองกับมองนอนกันสะอาดแฮะเบิ้งเบิงแล้วจะสมัยก่อนน่ะนี่คือตํานี้พี่ไส้ก็บบัวลอาอยุพี่ไส้ถึงเจ็ดสิบกว่าปีพี่สะใภ้กัเจ็ดสิบกว่าปีบ้านี้พวกล้านล้านเก็ต้องไปหาอยู่หากินทํามากค่าขายของเขาสรุปแล้วก็ต้องตํานี้เจ้าของมาเนี่ยตนี้ผู้ห่อเป็นลูกทุกคนเลลูกทุกคนต้องใส่ใจ พราพ่อกับแม่บริษัทของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของลูกทุกคนพ่อแม่เลี้ยงเข้ามายากขนาดไหนทุกยากขนาดไหนบางที่ลูกเย็บไขรได้ป่วยอดตาลับครับตานอนนอนหมเต็มหูเต็มตาตางหากักบรรทายใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเจ้าของเลี้ยงลูกเป็นยังไงยากขนาดใดเพิ่นเลี้ยงเขาก็ยากขนาดานั้นละ วานีเพิ่นเป็นบุพการีบุคคลผูมิอุปการะกรพวกเฮาจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาจังใดกับเพิ่นเป็นนาทีของพวกเฮาจะต้องช่วยกันคิดนี่แหละนี่หลวงพ่อได้บอกกับพี่พีน้องนอ ง, นอง ล, ล, ลูกลูกลนันลันเฮ่อวันหลวงพ่อว่าหลวงพอ่งพอว่าอวาอดพิษก็แล้วกันเอาอะไไปคลื่อนไปอย่างไดก็บวันหลวงพ่อกับวันหลวงพ่อคิดถือเฮ็ดถือโยน พอใหญ่มันโมแมนของผู้ใหญ่ได้พอกับแม่อันนี้คือกันพอแม่ครูบายจานกัืขึ้นเป็นบุพการีดทา้งธรรมะจริงลึกสึงกว่าพอแม่ทั้งนอกพอแม่ทั้งนอกให้ถัดขันร่างกายถาดสีดินหนามลมไฟนั่งกายของเห่าได้มาจากพอแม่แต่ว่าความนึกคิดสติปัญญาอริยมัก สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปมรักแปดอันเนี้เป็นนาทีของพ่อแม่คู่บาอาจารย์เป็นผู้ไห่ธรรมะเป็นผู้แนะนําสังสอนอันนี้มรักเนออันนี้ผลเนออันนี้ทางไปนรกเนออันนี้ทางไปสวรรค์เนอะอันนี้คือวินัยเนอะอันนี้คือศีลอันนี้คือวินัยอันนี้คือสมาธิอันนี้คือปัญญาปัญญาไม่หลายระดับเนอะปัญญาแบบนี้เออ สิ่ น, นี้จะกวัฏสงสารบ่หมาเวียนวายตายเกิดเนี่ปัญญาแบบนี้ให้ใช่ความคิดแบบนี้นะถึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารขันว่าใส่ความคิดแบบนี้จะบกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารบ่มีที่สิ้นสุดให้ตัดกิเลสแทนตัดแบบนี้ให้พิจารณาแบบนี้ให้พิจารณาถาัดขันร่างกายแบบนี้ให้พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะปฏิกูลแบบนี้ ร่างกายสังขารบ่เป็นตัวตนของเฮ้าเนออีกสักวันหนึ่งเน่ะถึงจะเรียงดีปันไดมันกระแก่มันกระเจ็บมันกระตายในที่สุดพ่อตายไปเลกยเอาไฟเผาเกิดเป็นกระดูกเจ่านี่กองฟ้อนอยู่ในเมนกระดูกจะของเอาไปนั่นบนมบัได้เรต้องคิดถึงเฮือนซ่านบ้านช่องลูกหลานญาติพี่น้อง เลือกสวนไหลหน้ายดถาบรรดาซักเงื่อนข้ามรับสมบัติถิมมัดู่แนวกระดูกเจ้าของก็ยั่งถิมนะใจนะ้ใจหนะ้าเบิงนะ่งหน้าเบิ่งใจเนะ้าอย่าหลงเนะใจเนะ้าอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นแนะนําสั่งสอนบ่ให้ใจหลงบ่ให้ใจหลงร่างกายขั้นบ่หลงร่างกายแล้วมันก็บ่หลงสักแนวอื่น ขั้นหลงร่างกายของเจ้าของว่าเจ้าของสิบว่ตายว่าเจ้าของสวยงามเอว่าเจ้าของเนี่ยจะยืนชั่วฝ่าดินสไลด์แต่ขั้นมาเรื่องตายเพราะจะคิดหามันเลยเออพ่าะจะเบาเพราะจะคิดหามันเรื่องความตายมีแตโกวคิดถีออยู่ในโลกอันเจ็บไข้ได้ป่วยมากแต่มีแต่หาหมอมาใส่หมอเขาดีสัตว์หมอเขาดีจริงสิมันกันหลอกเจ้าของเป็นมือเป็นเว่นไปสัตว์แต่ตามไม่จริงขั้นมันหมอดีหรีหมอมันก็ตายเน่ะ หมอผูใดได้บัตายศาสดาจารย์หมอมีดซีมีเสียงแต่คณะที่มีซืซอเสียงเละพ่ออีกสักน้อยจะหายเงียบไปไปใส่ตายแล้ว่ะขั้นแน่จริงจริงเลยมันก็บัตายเป็นศาสดาจารย์หมอนี่แหละพราะพูใ้ใดเจ้าพนวาไหวแล้วคนเกิดมาในโลกตายมัดทุกคนว่มีผู้ใดจะหลีกหลีหนีพ้นไปได้ของที่เทียงแทะแน่นอนที่สุดคือเป็นนิดอย่างคือของเทียงแทะแน่นอนคืออย่างคือ ค, อความตาย แนี่ความตายในเทียงแทะแน่นอนเกิดม่แต่ใดตายทอนั้นบ่มีผู้ใดเหลือขึ้นมานี่แหละคือความเทียงแทะของนิจจังคือความตายเพรานั้นพวกเฮานะ่าพูดทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเลวก็คือยาลืมยาหลงโลกหลงทางเกินไปยาหลงโลกจนเกินไปให้อปนยโกพิจรณาทบท่วนย่อนนายย้อนหลัง เบิงทรายเบิงขวา้าเบิงหนาเบิงหลังเบิงสูงเบิงต่าให้เบิงไปพดหลอบทิศหลอบทางจากนั้นก็เปียบเทียยวก็มาหาเจ้าของหมูหมากาไกา่ที่มันตดเหยียบตายในถนนก็มาเบิงมันอน่กนอกมาหาเจ้าของอืงอีกสักเมืองหนึ่งขั้นว่าเกิดชึกสงคฆ์เกิดโรคระบาดขั้นไพร์พอทิมไพร์กันนี่แหละมันก็นตายแบบนี้แหละคืออยู่แบบตายนนอยู่ถนนขายสีปัางงางปังเพียงยิงอย่างที่ละ่ะคนเฮา คือการคษินีนามิยังสันไผจักสีเอาไผมันตายหลายโพดนี่แหละโลกวัตฏสงสารมันเป็นอยูงชีแหละบดพบใดก็ต้องชาตินึงหละจะต้องมาพบมาเจอของแบบนี้แตนาวาเฮ้าเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารเวียนเสียแต่เฮ้าถึงทำให้จุดจบอย่างปพุธเจ้าช่ำละจิตใจซะบิงจิตบังใจซะให้ตัดกิเลส ชำระกิเลสโลภโกรดหลงออกจากคิตจากใจใจบริสุทธิ์ใจใสใสสะอาดใจเป็นท่องแทบบ่มีสน่หเจียปนที่ใจบริสุทธิ์เป็นอามตะธาตาุอมตะธรรมบ่มาเวียนวายตายเกิดนั่นแหละมีที่สิ้นสุดได้ขันว่าพวกเขายัางเวียนวายตายเกิดมันจะต้องสูงสูงต่ำต่ำหลุมหลุมดอนดอนทุกทุกห ย, ยักหยักลำลำลุยลุย ช่ hey, วยสวยงา ม, งามขี่ลายขี่เลครบมัดบ่พบได้ก็ต้องชาติหนึ่งละ่ะจะต้องได้พบได้เจอคันเท้าวชํารละใจซะคันเข้าชํารละใจตามแนวอริยมรรคของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นพวกเข้าจะพ้นทุกข์ในวัตทสงสารตึงแดนภนิพานนะเพราะนั้นพวกเข้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็บพอมกันกันกบยั่งทีลงพอไดเวเลพักขุนพอแม่ครูบาอาจารย์ เป็นผู้มีอุปการะคุณมองให้กว้างมองให้รอบขอบมองให้ลหึกซึ้งอย่าไปโย่นให้ผู้นัน้นอย่าไปย่นให้ผู้นี้เป็นนาทีของพวกเข้าทุกคนจะต้องจับตาดูจับตามองขันมันหลายแล้วเขาก็ยืนอยู่ห่างๆนะขันมมมันขาดตรงพวกเขาก็กระโดดเข้าไปเบิง้งเออโบแมนที่เอาให้ผู้นัน้นให้ผู้นี้เป็นผู้ดูโยกของร ล, ลอย น, นุ่นเออวัติธุระการงานไปโบใด ขันว่ามีผู้จังจันบอกแบบห้องผู้ค้นะผมก็ไปบัวได้คอยก็ไปบัวได้ให้เจ้าเบิ้งซ่าเอาไปมากกันลูกทั้งลูกหกเจ็ดค้นหรสวนมันกันวัดทุกคนม่นนะแสดงว่าบ่มีความกระตันยูกับตะเวทีตากับพอแมขันเปลี่ยนจังจันทร์มันลไปเพราะนะั้นชิงโมนีมันต้องเดเบิงเมื่อห้อง พ่อแม่ขับขันพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนาที่ของดูกทุกคนหูตาเนี่จะต้องจ้องดูช่วยกันช่วยพี่ช่วยนองผู้ใดมันหนักผู้ใดมันเบานักบอกว่าเหตุใดต้องเบิงพอทุกคนกับหักพอหักแม่ถึงจะบอกหักกับพ่อแม่ในร่างกายของพวกเขาเนี่ตั้งแต่หัวจดเท่าตั้งแต่ศีสาย จ, จดเท่าเท่าได้มาจากไผ่จากพ่อแม่ ธรรมะที่เฮาหูจากศีลธรรมตามแนวอริยมรรคที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเฮาได้มาจากไผ่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําให้อันนี้เพิินเป็นบุพการีทั้งธรรมานะแกพวกเราอัรับพร น, นะแต่อนุโมทนาให้พรยถาวาริวาหา